าการดูแลใจไนมะ่สําคัญอย่างไรนะสําคัญมากเพราะว่าคนเราเวลาป่วยเนี่ยหรือเพราะระสุดท้ายเนี่ยน้อยคนนะที่ไม่ได้รู้สึกป่วยใจด้วยแม้แต่คนที่ป่วยแบบธรรมดาธรรมดานเนี่ยเกือบจะรทังร้อยก็ป่วยใจด้วยแม้แต่ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเป็นหวัดนะหรือว่า เป็นโลกที่ยังไกลจากความตายเนี่ยก็มีความป่วยใจความป่วยใจที่นี่คืออะไรคือความเครียดความวิตกกังวลความกลัวจาจะมีความโกรธด้วยความป่วยใจในบ่อยครั้งเนี่ยก็เป็นผลมาจากความป่วยใจยและในหลายกรณีเนี่ยก็เป็นสาเหตุแห่งความป่วยกายด้วยคนที่วิตกกังวล คนที่มีความเครียดสูงคนที่มีความโกรธบ่อยๆเนี่ยเราก็ทราบใช่ไหมครัว่าจะเป็นโรคความดันนะคอนเสิร์ตมีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตด้วยกรนด้าเงนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติดา้านจิตใจเนี่ยไม่ไม่ควรจะมองข้ามเลยโดยเองาะคนป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เป็ความป่วยกายและป่วยใจ ความป่วยใจเนี่ยเช่นความกลัวนะความตกกังวลเนี่ยสามารถจะไปซ้ําเติมให้อาการทางกายหนักขึ้นนะจนบางทีเนี่ยแม้กระสับกระสายให้ยาและะ้วก็ปวดก็ได้ผลแค่ชั่วคราวแต่ที่ซืุอว่ามะสักครู่เนี่ยคนที่กระสับกระสายเนี่ยพอหมอให้ยาและะ้วก็ปวดไป เพราะคิดว่ากระสับกระส่ายเพรปวดทุกทรมารแต่ก็อาจจะนิ่งได้สิสิสิบห้านาทีแล้วก็จะ ก, กระสับกระ ส, าสร่ายมปแสดงว่ามีความปวดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาช่วยเหลือด้านจิตใจสำคัญกับผู้ป่วยทุกประเภททุกระดับนะโดยพาะผู้ป่วยและสุดท้ายวันนี้เนี่ย ในเรื่องการดูแลสางจิตใจของคนใกล้าตายเนี่ยพระพุทธเจา้านี่ท่านก็เคยทำเป็นแบบอย่างนะแ ต, แต่ก่อนที่ะพูดตรงนั้นตรงนั้นเนี่ ย, นนยอาจา์คิดว่าอย่างหนึ่งที่คนป่วยต้องการและคนดูแลควรจะมีก็คือความรักความเมตตา ความเมตตาความรักเนี่ยเพราะไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันเป็ น, นเป็นเหมุนโอสซนะเป็นโอสถปัญญาที่จะระ ง, งับความผูยใจบางอย่างได้ดีหรือว่าความกลัวนะคนที่กลัวเนี่ยถ้าเขาได้อยู่ใกล้ๆคนที่มีความรักความเมตตาเขาจะอบอุ่นใจเพรามันก็เด็กกันนะเด็กเวลากลัวแล้วถ้าได้อยู่ใกล้แม่ ความอุ่นใจเนี่ยที่ได้จากความรักของแม่ทำให้เขาเนี่ยคลายความกลัวลงคนใจ้ตายจะกลัวสารพัดไม่ใช่แค่กลัวตายบางทีกลัวที่จะนอนหลับเพราะคิดว่าถ้าหลับไปแล้วเนี่ยเกิดตายตอนนั้นเนี่ยหรือว่าเกิดตายกลางคืน จะไม่มีคนอยู่เคียงข้างเพราะว่าพอตัวเงหลับก็กลัว่าคนดูแลจะหลับแล้วเกิดตัวเองเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็จะตายคนเดียวงนั้นจะมีคนไทยหลายเพศหลายคนที่จะคอยปลกปุกลูกปลุกหลานปลุกคนรักให้ตื่นตลอดเวลากลางดึกนะต้องการเนี่ยก็ชงงงหงน้ามาเพื่อจะได้มั่นใจว่ามีคนที่ยังอยู่ดูแลเราตลอดเวลาไหม เขจะนอนหลับแต่บางคนก็นอนไม่หลับเลยเพราะความกลัวแต่ถ้าเกิดว่าคนดูแลให้ความรักกับเขาให้ความมั่นใจว่าจะอยู่กับเขายี่สี่ชั่วโมงแล้วจะอยู่กับเขาจนวันรัศท้ายเนี่ยเขาจะคลายความตกกังวลแล้วเขาจะอาจจะนอนได้แล้วก็ได้ผ่อคนความรักเนี่ยมันแสดงออกได้หลายวิธีนะ บางคนอาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าสามารถจะแสดงหรือยืนยันให้คนป่วยในเค้ได้รับรู้ถึงความราักความเมตต์ตางของเราในความใส่ใจด้วยน้ำสิยงที่อ่อนโยนด้วยแววตาที่อ่อนโยนหรือด้วยสัมผัสที่แผ่วเบาการกอดนี่ก็ช่วยได้เยอะนะการกอดเนี่ยมีคนไข้คนนึ่งนะเอ่อก็อายุสักหกสิบกว่าละ แล้วก็ตอนป่วยก็ป่วยที่บ้านแต่ว่าพอรู้ว่าระยะสุดท้ายใกล้มาถึงระยะสุดท้ายคือเป็นวันนะ 5-6 วันเนี่ยก็ขอไปที่โรงพยบาบาลจะได้ไม่ไม่ไปรบกวนที่บ้านเพราะมีลูกคนเดียวตอนที่ไปโรงพยบาบาลเนี่ยก็มีพี่ชายเนี่ยพี่ชายนี่คืออาจารย์สแสวงนะอาจารย์สแสวงเพื่ออาจารย์ธรรมศาสตร แต่ที่พาไปส่งโรงพยบาบาลเนี่ยคนไข้เนี่ยเกิดปวดขึ้นมาจัดแสวงเนี่ยมีมอร์ฟีนนะก็จะก็หยุลดลถแล้วจะให้คนไข้เนี่ยนะกินมอร์ฟีนเป็ น, เ ป, นเป็นเม็ดกว่าที่ให้ยาก็ต้องก็ต้องประคับประคองคนไข้ให้นั่งในท่าที่พอเหมาะตอนนั้นเนี่ยจัดแสวงก็ก็กอดน้องสาวไว้นะกอดอย่างออนโยน าะกว่าคนคข้รู้สึกดีขึ้นเลยความปวดทุกเราลงเยอะแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะว่า Love can relieve pain and comfort people ความรักสามารถจะบรรเทาปวดและทำให้สุขสบายใจแค่กอดนี่นะกอดด้วยความรู้สึกอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักเนี่ยคนไข้รู้สึกดีขึ้นเลย แล้วก็สุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้ใช้ยาแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นอย่างสงบสองสมวนต่อมาและความรักเนี่ยมันแสดงได้หลายอย่างการให้เวลาที่จะฟังเขามีผู้หญิคนนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแกก็ได้รับการฉายแสงการได้รับการฉีดเคมี Mo. ก็ครบโดสแล้วแต่แกก็ยังบววปวด เวลาเดินไปไหนมาไหนแต่ว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยหมอและพยาบาลสังเกต ว, ว่าแกเดินเป็นคนปกติเลยก็เลยเอกใจวันหนึ่งพยาบาลก็เลยมานั่งคุยกับคนไข้แต่คนไข้เป็นฝ่ายคุยมากกว่าคุยตั้งชั่วโมงเนละเป็นชั่วโมงเลยและเรื่องที่คุยคือเรื่องสามีกับภรรยาน้อยใจโกรธอ่อโกรธสามีแล้วก็ลูกชาย พยาบาลก็นั่งฟังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย้งไม่ได้ขัดและไม่ได้แม้แต่ให้คํำแนะนำด้วยซ้ําคนไข้พอพูดไปเนี่ยพอกเขาว่าความปวดทุเราลงพวกเราลงพราอะไรเพราะว่าพอได้ได้พูดแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจแสดงว่าความปวดที่รบกวนคนไข้คนนี้เนี่ยก้อนก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นความปวนกายมันเป็นความปวนใจพรโกรด นะเพราะน้อยใจสามีและลูกชายแต่พอได้พูดและมีคนฟังเนี่ยรู้สบายใจความปวดก็เลยทุเราเลงแล้วแต่ความปวดกายแล้วแต่ความปวดใจก็ลดน้อยไปเรื่องความรับเมื่อกี้แสดงด้วยการที่เราให้เวลาที่จะฟังเขาสําคัญมากนะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะพูดไม่ค่อยมีโอกาสที่จะระบาย โดยเพราะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ไม่มีเวลาฟังพยาบาลก็งานเยอะนะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ถูกสั่งมากกว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยถูกสั่งทุกคนมีแต่สั่งเขาหมอก็สั่งพยาบาลก็สั่งลูกก็สั่งแม้แต่พนัก ง, งานทำความสะอาดก็สั่ง <te S 1> แต่ไม่ค่อยได้มีไม่ไมค่อยได้มีโอกาสได้พูดไม่มีค่อยมีใครได้ฟังเขาว่า ความรักเนี่ยมันมีคนถึงพูดดีความรักเนี่ยเขียนว่าเสลเอวอลออาความรักนะเขียนว่าเสลเอวอลออาคือเรารักใครเนี่ย้องให้เวลาเขาให้เวลาที่จะฟังเัาด้วยการให้เวลาเป็นการแสดงความรักที่ที่สาคัญมากเมื่อนี่บอลเรามีความรักแล้วเนี่ยมีความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขก็เข้าสู่ประเด็น วิธีการเยียวยาการดู แ, แลที่พระเจ้าได้ทรงแนะนาเป็นแบบอย่างก็คือการนทำให้เขานึกถึงพระรัตนตรัยพระเจ้าเนี่ยเมื่อทรงแนะนําคนใกล้ตายเนี่ยก็จะให้เขาเรารู้ถึงศรัทธาที่เขามีกับพระรัตนตรัยพูดง่ายคือว่าเขารู้ถึงสิ่งที่เขานับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก็นับถือถ้าเป็นชาวคริสต์ก็เป็นพระเจา้าถ้าเป็นมุสลิมก็อจจะเป็นฟานรห์เวลาได้ถึงสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เรามั่นใจในคุณความดีและนุภาพเนี่ยเราจะมีความปิติและมันจาช่วยทําให้ความรู้สึก ด, ดีขึ้นมีคุณเจาเนีแกเป็นมะเร็งนะแกปวดที่ท้องที่กระเพาะ แล่วแกก็ปวดจนกระขั่งแกร้องแกแกแกร้องอ น, นะโรงพยาบาลมาถึงเนี่ยพยาบาลปกติก็จะถามว่าปวดกี่คะแนนศูนยะ์ถึงสิบเนี่ยปวดเท่าไหร่แต่พยาบาลวันนี้แปลกจะถามว่ายายชีวิตนี้ทําอะไรได้ความสุขมากที่สุดแล้วก็ตอบว่าหลอกพระเกิดเคยหลอกพระเมื่อศึกษาปีก่อน แล้วแกมีความสุขผิ่เอิมมากแม่เวลาจะผ่านไปสิบกว่าปีแกก็ยังมีความสุขที่แต่ละเรื่องถึงพยาบาลก็เลยถือช่องเนี่ยเป็นโอกาสส่งโอกาสก็เลยถามว่ายายจําได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยยายใส่เสื้อเสื้ออะไรนุ่งผ้าเสี้อะไรก็จําได้หมดพยาบาลก็เลยชวนคุยคุยไปได้สักสิบยี่สิบนาทีนะพอคุยเสร็จแกพูดกับพยาบาลหมออะไรพยาบาลหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยนะความปวดมันหายไปเลย เพราะอะไรเพราะว่าได้ระลึกถึงการทําบุญได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยศรัทธาทําให้เกิดปราโมะปราโมคือความความเบิกบานใจปราโมทําให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจทําให้เกิดปัสสติคือความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุข เมื่อเราตืน่นถึงสิ่งที่เราศรัทธานเนี่ยเราจะเกิดความสุขตามมามันไม่ใช่แค่ความสุขกายไม่ใช่แค่ความสุขใจเท่านั้นนะแต่เป็นความสุขกายด้วยเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาเรานึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาหรือว่าเวลาเราเกิดสมาธิเนี่ยมันจะมีสารสื่อประสาทที่เราดึงเราทรานสมิเตอร์ที่หลั่งออกมาที่จะช่วยบรรเทาความปวดได้หรือช่วยทําให้สัญญาณความปวดที่มันมาจากบริเวณที่มันปวดเนี่ยนะมันอ่อนแรงลงนะ เพราะว่าไอ้จุดที่มันจะรับรู้ความปวดอยู่ที่อยู่ที่สมองสัญญาณเนี่ยจากท้องที่ปวดเนี่ยมันจะมาที่สมองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิเราหรือสิ่งสงศรัทธาเนี่ยเราจะมีสารสื่อประสาทที่ไปช่วยทําให้ไอ้สัญญาณตัวนั้นอ่อนแรงลงนะก็คือทําให้ความปวดทุเราลงสารสื่อประสาทก็เช่นโดพามีนเซโรโทนินหรือว่าอินโดฟินต้นๆนี่มีเยอะมากที่นักวิทยาศาสตร์คนพ เพราะนั่นเนี่ยเวลาเราต้องถึงเสียงเราสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูงใจแต่ว่าสูงกายด้วยความปวดทุเลาลงคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนป่วยเนี่ยเขาไกลวัดนะก็าา จ, จะไม่มีสำพัญในพระตรนตรแล้วจะเอาอะไรให้เขาเรารู้ถึงอันนี้ผู้เจ้า ก, ก็บอกว่าให้เรารู้ถึงความดี ก็คือศีลศีลในที่นี่ก็คือเป็นหมายถึงความดีความดีที่เขาได้ทำและภาพภูมิใจนะ<ม>ชวนเขาคุยเรื่องนี้หรืออาจจะพูดแล้วก็ฟังก็ได้ว่าประทับใจความดีของเขาอย่างไรบ้างมีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยป่วยระยะสุดท้ายภรรยาก็มาร้องโหมร้องไห้โรพยาบาลก็เลย ขอีขอพูดขอคุยด้วยไปคุยคุยหน้าห้องแล้วก็บอกว่าสามีเราจะตายเนี่ยร้องไห้มมันมันจะไม่ช่วยนะควรจะพูดถึงความดีของเขาที่เราประทับใจเธอตั้งสติได้เธอก็กลับเข้าไปในห้องแล้วก็พูดพูดถึงความดีของสามีแล้วก็พูดว่าเนี่ยประทับใจสามีอย่างนึงคือ เวลาเลิกงานสามีไม่ทำเปลี่ยนชุดแต่งไม่ได้ไม่ทำเปลี่ยนเครื่องแบบเลยนะก็มาช่วยภรรยาในขายของไม่แต่ไปกินเล่า ไ, ไปเที่ยวที่ไหนภรรยาประทับใจมากลูกก็มาพูดว่าเนี่ยประทับใจพ่ อ, อยังไงบ้างนคนไข้ซึ่งก็มีอาการกระสับกระส่ายเนี่ยพอได้ยินแม้เขาจะพูดไม่ได้แล้วนะแต่เขายังรับรู้ได้เขาก็นิ่งสมบลงนะ ตัวภรรยาก็สบายใจที่ได้พูดถึงความดีของสามีนะมันเป็นการเยียวยาด้วยสุดท้ายคนไข้ก็ไปสงบถ <c oughs> ้เราพยายามนึกถึงความดีของเขานะบางทีเราแกล้งถามเขาคนไข้คนค น, นึงเนี่ยมีลูกหลายคนแล้วก็ลูกแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะลูกชายมาย มาดูแลพ่อแลนะลูกชายคนโตก็ชวนพ่อคุยเนี่ยว่าลูกแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างที่ตัวลูกชายก็รู้อยู่แล้วนะแต่ว่าพูดแต่ว่าถามเพื่อให้พ่อได้ไ ด, ได้คุยได้พูดถึงลูกพ่อได้พูดถึงลูกแต่ละคนพ่อก็มีความสุขนะควมีความสุขไม่ได้สุขสุขไม่ได้สุขใจที่ลูก มีความสําเร็จแต่ว่าภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกมาจนประสบความสําเร็จด้วยมันทาให้คนไข้เนี่ยเขาสบายใจนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยความทุกข์ทรมานเนี่ยน้อยลงแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถจะตายสงบได้ะนะนี้ก็สุปได้ว่าคือการช่วนให้เขานึกถึงความดีหรือสิ่งที่เขาศรัทธาอันที่สองคือช่วยเขาปล่อยวาง สิ่งค้างขาดใจเมื่อวนเนี่ยสมาชกพูดไปแล้วว่าคนเรากลัวตายเนี่ยเพราะว่ามีเพราะว่ามีความยึดติดคนเราไม่ยอมรับความตายเพราะเรายังปล่อยวางสิ่งที่เรายึดไม่ได้และคนที่ใกล้าตายเนี่ยนะเขาจะตายไม่ได้เขาจะตายไม่สงบถ้าเขายังยึดรูปพ่อแม่ สามีภรรยาตอนต้องชวนให้เขาเนี่ยปล่อยวางแต่จะบอกให้เขาปล่อยวางทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไมก็พูดว่าเราต้องพูดให้เขาสึกว่าเออลูกเนี่ยนะเราไม่ห่วงละเช่นพ่อเนี่ยสามีเนี่ยพูดกับภรรยาที่กำลังป่วยและใกล้ตายว่าจะดูแลลูกให้ พอสามีพูดอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการย้ําภรรยาที่ป่วยเนี่ยก็จะสบายใจแล้วก็ตายสงบได้แต่ก็มีบางรายนะที่เขาไม่ไม่ไม่สงบนะสามีเนี่ยป่วยหนักภรรยาก็มาพูดกับสามีว่าเนี่ยจะดูแลลูกให้ไม่ต้องห่วงนะแต่สามี้็ยมีอาการไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็แปลกใจก็เลยคุยกันกับ แพทย์พยาบาลแล้วก็น้องสาวของคนป่วยน้องสาวก็เลยเปิดเผยว่าสามีเนี่ยเป็นห่วงว่าภรรยาจะไปแต่งงานใหม่เมื่อเขาตายแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ให้ให้ลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นของคร อ, อบครัวใหม่ภรรยาพอทราบถึงความห่วงกังวลของสามี ก, ก็ก็เลยไปพูดกับสามีใหม่บอกว่า ไม่ต้องห่วงนะเรื่องทรัพย์สมบัติของของของลูกอะ่ะนะที่ดินเอ่ยบ้านเอ่ยเนี่ยนะก็จะให้ลูกเนี่ยใส่ใส่ใส่ชื่อลูกนะตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่จะดูแลลูกอย่างดีนะพอพูดอย่างนี้เนี่ยสามีก็สบายใจอาการกระสรับกระส่ายก็ก็ทุเลาลงเพราะมั่นใจว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาได้เนี่ยยังไงมันถึงลูกแน่นะถึงแม้ว่าเมียจะ จะไปแต่งงานใหม่ต้นตามอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าบางทีคนไข้เนี่ยเขามีตกเรื่องอะไรทำให้เขาไปไม่ได้นะบางทีก็ห่วงงานมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกก็เป็นคนที่ธรรมะรมโมนะชวนคนไปไปทอดพระป่าทอดกระินในวัดที่กันดารเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้เขวก็จะเลือกวัดที่อยู่ไกล ก็ทํามาเป็นสิบปีแล้ววันหนึ่งก็เป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็ลูกหลานรวดเร็วพออยู่สุดท้ายเนี่ยแกมีการกระสับกระส่ายพอ่พอลูกแล้วก็หลานเนี่ยคิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนธรมธรมะธรรมโหมถ้าได้ฟังเทปธรรมะพระสวดมนต์ก็จะดีขึ้นแต่พอเปิดเทปธรรมะนะพระสวดมนต์เนี่ยก็อาการกระสับกระส่ะสายเหมือนเดิมแตกใจ ก็บอดีใกล้ๆกันเนี่ยเพื่อนสนิทมาพอเพื่อนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็ไปพูดข้างเตียงผู้ป่วยว่าไอ้โบที่่ยสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะสร้างให้เสร็จพอพูดตรงนี้เนี่ยแกนิ่งเลยนะแสดงว่าแกห่วงเรื่องนี้ไอ้การสร้างโบสถ์เนี่ยมันเป็นมหากรุสสนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนี่ มันก็กลายเป็นภูเขา ก, กดทับจิตใจนะในยามที่ใกล้ตายต้องวางทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลา้านไม่เป็นสามีทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ ง, งานการหรือว่าบุญกุศลที่ตั้งใจจะทำนะแต่ว่าจะวางไม่ได้เนี่ยวางดี่ยตัวเองไม่ได้แต่พอเคลื่อนกุศเนี่ยรู้สึกโล่งอกเลยแล้วกก็ตายสงบ นี้เวลาคนไข้เขาทุรนทุนรากระสับกระาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะความปวดต้องสันนิษฐานว่าเขามีบางอย่างที่เขายางังกังวลนะต้องหาให้ได้ว่าเขาปวดกังวลเรื่องอะไรบางีคนไข้เนี่ยเขารู้สึกผิดมีหัวหน้าพยาบาลเกิดเป็นมะเร็งแล้วก็พอถึงระยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดเอาไว้ต่งตางๆแยกๆหมดแล้วนะแต่ก็ไม่ยอมตาย ตาแกก็เปิดเบิดโพรงคนก็แปลกใจว่าเกิอดอะไรขึ้นจนกระทั่งเพื่อนลุ่น้องพยาบาลรุ่นน้องมาถึงแกก็รวบลวมกำลังนะแล้วก็พูดขอโทษขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับรุ่นน้องคนนี้เพราะเคยคิดว่าเธอเป็นคิดกับสามีแต่รู้ความจริงแล้ ว, วไม่ใช่รู้สึกผิดยังตายไม่ได้ จนว่จะได้ขอโทษเมื่อ น, น้องเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูให้ภยัยพี่หนูเข้าใจพอเธอไดรับการให้ภัยเนี่ยเธอก็สบายใจหลับตาแล้วก็คำมันให้แกเข้าไปคนมาคนตายไม่ได้เพราะายังไม่ได้เอ่ยปากขอโทษนะยัยงไม่ได้ขอคำมา วันนี้เนี่ยตอ่อใกล้ตายต้องให้มั่นใจว่าเขาจะปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ไม่มีสิ่งค้างคาใจนะถ้าเขาพูดไม่ได้เนี่ยเราต้องเดานะนะจะต้องสังเกตจากอาการเขาเช่นเขามีอาการกระสับกระสานไหมบางทีเขาไม่รู้สึกตัวแต่น้ําตาเขาไหลถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็มีอาการกราดเปรี้ยวกระวนกระวายนะ อันนี่ต้องต้องคอยดูบางคนที่บางทีก็ตาก็เบิดโครงไม่ยอมตายนี่แสดงว่ายังมีอะไรเป็นบางอย่างคาใจอยู่ถ้าที่คนไข้เนี่ยบางคนเนี่ยนะเขาพร้อมจะปล่อยวางแล้วแต่ว่าคนดูแลยังจังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้นะมีเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยมันมีดีเจคนนึ่งนะั แกก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ว่าแกเป็นมะเร็งแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายจนกระทั่งแกถึงระยะสุดท้ายเนี่ยเอาอย่างต่างแกแย่หมดแล้วแต่หมอบอกว่าเนี่ยหัวใจแกดีมากเลยมันยังเต้นอยู่ยังเต้นเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นคนรักแฟนสาวพราะกำลังศึกษาปีใกล้จะแต่งงานแล้ะเรือนหอกเพิ่งสร้างเสร็จ แฟนสาวก็บอกกับกับดีเจงนนี้ว่าโจาย่าเพิ่งตายโจส่สู้ๆนะแต่หลังจากที่เห็นคนไข้เนี่ยนะเรียกว่าพยายามดิ้นลนต่อสู้กับความตายมาพักใหญ่เนี่ยหลายวันก็คงสงสารนะแฟนสาวก็เลยพูดกับกับคนป่วยว่าโจ่ถ้าเธอจะไปก็ไปเถอะนะ มอย่างนี้ทรมานแล้วพรากว่าพอพูดจบนะคนไข้เนี่ยหัวใจยอยู่เต้นเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเขายังไม่พร้อมจะตายคือเขาอาจจะอาจจะอยากตายแต่ว่าเขาเป็นห่วงเขารู้สึกว่าคนรักเนี่ยยังไม่ยอมให้เขาไปเขาก็จะสู้อาจารย์พระมวังโสนเนี่ยเล่า ว, ว่า ขอภัยนะมีคนไข้คนหนึงนะเป็นฝรั่งอาจารยพระองค์โสงแกเป็นท่านเป็นพระอังกฤษแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่ที่ออสเตรเลียมีคนไข้คนหนึงยังหนุ่มอยู่เลยนะชื่อสตีฟเนี่ยแกป่วยหนักแต่แกก็ไม่ยอมตายสักทีตอนที่ไปเยือนเนี่ยก็มีแฟนสาวนั่งอยู่ข้างเตียงแทนที่ท่านอาจารย์พรงโสงเนี่ย จะพูดกับคนไข้นะอาจจะพูดนิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็พูดกับแฟนสาวซึ่งอาเป็นภรรยาว่าคุณอนุญาตให้สตีฟตายหรือยังอึ้งเลยนะแล้วก็ได้สติก็เลยขึ้นไปบนเตียงไปนอนกอดสตีฟแล้วก็บอกสตีฟเนี่ยเธอเธอจะไปก็ไปเธอนะ ฉันจะอยู่ได้โปรกสตีนที่ไปเลยนะคนข้หลายคนเนี่ยก็พร้อมจะไปหรือก็จะไปได้ทันทีถ้าเกิดว่าคนรังเนี่ยอนุญาตมีหมอคนหนึ่งนะหมอใหญ่ไปทำงานที่อเมริกาพอได้ขอแม่ป่วยบินมาเลยนะ ดูแลแม่ได้สองวันแม่ก็เสียชีวิตหัวใจหยุดเต้นแกทําใจไม่ได้แกคล่อมตัวแกคล่อมตัวแม่เราขย่อตัวแม่แม่อย่าเพิ่งไปแม่กลับมาแม่ทำไมอยู่กับผมแค่นี้แม่กลับมานะอย่าเพิ่งไปแม่กลับมามีการปั๊มหัวใจไปด้วยตอนนั้นเพราะว่าปั้มสําเร็จนะพอแม่เนี่ยอยู่กับลูกสองต่อสองนะแม่ก็เล่าฝังว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะแล้วเห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆข้างหน้า แล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเคลื่อนไปที่แสงสว่างนั้นตอนนั้นมันสบายมากเลยจู่ๆได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะมารู้ตัวอีกทีก็เอากลับมาละก็แล้วลวันเนี่ยไม่รู้ใครเรียกแม่กลับมารู้ ก, ก็เพราะผมเนี่ยแม่ผมเรียกแม่กลับมาแม่ก็เลยบอกว่าทีหลังอย่าเรียกแม่กลับใหม่อีกนะแม่บอกสบายอ่ะเหมือนกับจาเมื่อวานนัได้ปะที่ถูกปั๊มหัวใจอ่ะแล้ววันเนี่ย กูว่กูจะไปสบายเชยวพวกมึงเรียกกูกับมาทำมบางทีคนไข้เนี่ยเขาไปแล้วก็สบายนะแต่ว่าไปขณะหาวัวใจอยูเต้นยังได้ยินเสียงลูกนะร้องเรียกนะบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาพร้อมจะไปแต่ว่าลูกหลานเนี่ยนะยื้อเอาไว้บางทีบอกให้สู้สู้คนไข้หลายคนเนี่ยนะก็จะบอกว่าคำหนึ่งที่เขาไม่ชอบนะ ซาแมนทามาอะไรสู้ๆเขาะไม่ชอบเพราะหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยกูก็สู้อยู่แล้วนะหรือเขาสึกว่าการสู้นี่มันเหนื่อยนะมีพิม์คนที่แกบอลเนี่ยโอ้ยไอการทุกครั้งที่คือเขาเวลาใคยไทยบอลสู้เนี่ยก็จะต้องรวบรวมกําลังเพื่อแสดงความเข้มแข็งและการพยายามที่จะทําตัวเข้มแข็งเนี่ยมันเหนื่ยมันทําให้เหนื่อยล้ามากมันปั่นทอนมากก็อยากจะอ่อนแอ อย่างที่เขาเป็นนะแต่เขาอ่อนแนไม่ได้เพราะว่าเป็ใครบอกให้สู้แล้วคนบางคนเนี่ยจะตายอยู่แล้วพร้อมจะตายนะแต่ว่าตายไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยบอกให้สู้อากงอายุร้อยเก้าสิบหกปีนะสัญญาณชีพก็เริ่มแยกไปเรื่อยที่โรงพยาบาลหลานมาเยี่ยมหลานบอกอากงอยู่ให้ครบลอยนะพอที่นค่าวพู้กนี้ทีไรแกก็จะมีการพึ่งทัดพ่ัขึ้นมาจะสู้กับเครื่อง อย่างนี้ดีหรือไม่ดีทุกนะทำไมแกขึ้ทัดเพราะแกต้องการสู้กับความตายลูกลหลาน ม, มาเชียร์ให้อยู่ถึงร้อยแกก็จะสู้และมันทรมานราะทีการยาะรับความตายเนี่ยมันง่ายไปเยอะเลยนั้นการช่วยคนไข้ปล่อยวางสำคัญมากเลยนะฮะ และจะต้องเริ่มต้นที่ตัวคนดูแลจะต้องปล่อยวางด้วยขั้นตอสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ก็คือการกล่าวระอัมลาและบอกความในใจอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่คนไข้เลิ ก, กระยะท้ายจริงๆแล้วนะะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เอามาโดยเพราะสองข้อแรกที่อาตมาส่งง่ายๆว่านึกถึงพระ เรากล่าทุกสิ่งเนี่ยนะจำแม่นๆ น, นะนึกถึงพระราทุกสิ่งเนี่ยอาตมาคิดว่าเกสิบห้าหรือเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองข้อนเนี่ยถ้าคุณทำได้นะมันจะช่วยคนไข้ได้มากเลยนึกถึงพระราทุกเทุกสิ่งและตอนสุดท้ายเนี่ยนะก็อาจจะมีวิธีขอขำมาอาจจะมีการบอกความในใจบางทีคนไข้เ้ารอนะรอความในใจจากลูก ถ้าลูกบอกรักพอ่อรักแม่เนี่ยก็ mm hmm. จะรู้สึกฝากปลื้มมากหรือแม้แต่คนรักบอกนะสามีบอกรักภรรยาภรรยาบอกรักสามีแต่แต่ตมาพบ ว, ว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าพูดนะอาจจะว่าขัดเถินแต่มันจะช่วยคนไข้ได้มากคนไข้หนึงเป็นมะเร็ง สา ม, มอนสุดท้ายแกก็จะเท้าถามภรรยาแม่แม่แม่รักพ่อไหมภรรยานี่เป็นแม่ค้าตัวใ ห, ใหญ่ห้าวห้าวนะแกก็จะบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่ยอมตอบสามมาสุดท้ายคนไข้ถามอีกแม่แม่รักพ่อไหมตอนนี้ภรรยาลำคาญขึ้นเสียงหนม่งจะบ้าหรือไงถ้าไม่รักกันอยู่ยได้ัตั้งกี่สิบห้าปี ก็บอกเป็นนายว่าฉันรักเธอนะแต่พูดไม่เป็นเนี่ยหรือไม่กล้าพูดหรืออาจารย์ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยพูดว่าฉันกับเธอเลยมีแต่กูกับมึงนะจะเพื่อกูกับมึงกูรักมึงก็กระไรอยู่แต่สมาวย่างนี้แม้จะจะเพื่อกูรักมึงก็โอเคนะคนไข้ปลายเสร็จ น, นะแกก็มานั่งเศร้าร้องร้องไห้ว่าทําไมคําสัมพันธ์ี้พูดไม่ได้แต่มันสายไปแล้วนะนั่นสำคัญมากนะการบอกความในใจเนี่ย ไม่จะเป็นขอบคุณขอโทษบอกรักคุณป้าคุณนิก็กนั่งซึมอยู่ข้างเตยียงสามีซึ่งโค ม, มา่าแล้วคุณป้าอายเจ็ดสิบพยาบาลถามเป็นอะไรเาบอกว่าเสียใจอย่างหนึ่งนะคือตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยสามสิบปีไม่เคยบอกรักสามีเลยมันนึกได้ก็สายไปแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วพยาบาลบอกว่าเ็ายังรับรู้ได้นะมีอะไรก็บอกเขาได้ยิน พออยู่กันสอตสองเธอก็รวบรวมนะความกล้านะแล้วก็พูดกับสามีซึ่งโครมาแลนะ้วบอกว่าขอบคุณนะตลอดเวลาที่ฉันได้อยู่กับเธอมาสามสิปีฉันมีความสุขมากเลยฉันเป็นคนโชคดีมากอยากจะขอบคุณแลวอยากจะบอกว่าอยากจะบอกรักคุณนะ ฉันคงอยู่ได้ยากถ้าไม่มีคุณนะแต่ถ้าว่าคุณจะไปก็ขอไปเนนะดีย๋ยวได้ห่วงฉันแล้วพอพูด เ, นะเนี้ยพูดจบนะคนไข้เนี่ยหายใจยาวแล้วก็หมดหลม เ, ลเหมือนก็เขารอเขารอคำพูดเนี่ยคนไข้บางคนเขาไม่อยอมตายเพราะเขารอนะรอลูกจบปริญญาเรียนเรียนจบรอหลานแต่งงานนะรอลูกกลับจากอเมริกาหรือบางทีรอ ให้ลูกถวายทังกระทานเสร็จพอลูกมาบอกว่าถวายทังกระทานเสร็จแล้วแม่ไปเลยแลเนี่และบางอย่างที่เขารอคือรอความในใจเพราะ น, นั้นเนี่ยถ้าว่าเรามีโอกาสนะก็ควรจะพูดแต่นั่นเนินไม่ต้องรอให้ถึงระยะสุดท้ายดยซ้ำนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ จากคราสินะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้รักสีคกาสหรือว่าเขาไม่เคยทําความดีเลยเช่นคนในฟูกนวกฟุตบอลในหอการเมืองแล้วเราจะให้เขารู้ถึงอะไรอ๋อคนต้องมีความดีอยู่แล้วอนักโทษอนะเขาจะเป็นคนที่รักพ่อเขากรตันอยู่กับแม่ไม่มีใครที่ดําดํำล้วนดําดําสนิทไม่มีใครที่ขาวสนิทนะคนลรำก็เทาเทานั้นน่ะใช่ไหมคนชั่วนก็มีความดีอยู่ และคนดีก็มีความไม่ดีอยู่นะแล้วสาหรับคนจูเนนเน้เนี่ยนาก็เป็นคาตกรเนี่ยเขาก็ต้องมีความดีชวนนาคิถึงความดีที่เขาได้ทำเช่นความรักลูกความกระตัดอยู่ต่อพ่อแม่นะส่วนเด็กๆ เ, เนี่ยก็นึกถึงสิ่งที่เขาชอบ <c oughs> มีเด็กนอยุสี่ขวบแคปเคิเมีย และสุดท้ายสุดท้ายแกแ ก, แกมีอาการกระสับกระส่ายแก่มีปัญหาเรื่องการหายใจแล้วก็ความปวดด้วยแม่แล้วก็ยายเห็นแล้วก็โอ้โหทำใจไม่ได้เลยแต่พยาบาลที่ฉลาดนะพยาบาลนี่พอรู้จักกเด็กคนนี้หรือว่าเด็กคนนี้ชอบอุลตร้าแมนตอนที่เด็กกำลังมีอาการกระสับกระส่ายเนี่ยนะพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยนะป้าจะพาหนู ไปซื้ออุลตร้าแมนจะไปไหมพอพูดเรื่องอุลตร้าแมนนะแล้วก็อุลตร้าแมน X อดูนะพอพูดนะียะแกหายกระสับภระสายนะแกยกมือฉายแสงเลยนะแล้วป้าแล้วพยาบาลก็ชวนจะไปบ้านแกอยู่แถวโคราฟก็พาไปจินตนาการว่าไปเดอะมอลล์ขึ้นไปชั้นสองชั้นสามนะที่ขายของเล่น แล้วก็พูดจินตนาการว่าของเล่นมีอุต้ามนรุ่นไหนๆวางอยู่บนวางอยู่บนวางเรียงขาอยู่บ้าง mm. พนั น, นาเด็กจินตนาการนะเด็กตอนนั้นอยู่กระแสปสา ย, ยนะ mm. แล้วก็พอสู้อุตร้าแมนเสร็จ mm. ก็พาไปสวนสัตว์วางน้ําเขียวใช่ปะวาน้ําเขียวนะโคราชแบบนะเสร็จแล้วก็พาไปกราบหลวงพ่อ หลงพ่อโตที่สีคิว้วเคยตามแม่ไปกนะิน่งเลยนะสงบเลยเพราะอุตมแมนนะจนกัะทั้งพ่อมาถึงนะก็ได้เห็นกันพร้อมหน้าแล้วก็เด็กก็ตายวันนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยาย ก็เรียกว่ายิ้มทั้งทั้งตายิ้มน้ําตานี่ก็ไหลเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจแต่ยิ้มที่ลูกไปสงบนะนั้นเราก็ต้องรู้จิตวิทยาของเด็กด้วยนะเอาสิ่งที่เด็กชอบเนี่ยมาครูอาจาเราการที่เวลาเราดูแลที่คนที่เรารักมากใช่ไหมที่ผูกพันมากเนี่ยพอเขาจากไปเขาก็ไปแล้วเราช่วยเขาไปสงบแล้ว่เราไม่สงบเหมือนกันเรายังคิดถึงเรายังอะไรอีกหลายๆอย่างจะทํำใจ จริงๆมันช่วยได้เยอะนะการที่ช่วยเข้าไปสงบเนี่ยมันจะช่วยทำให้อผู้ที่อยู่เนี่ยนะมีเรื่องตกค้างน้อยลงแต่ว่าต้องถามเต็วเงว่าที่ไม่ที่ที่ยังมีมีความไม่สบายใจเพราะอะไรมีความสึกผิดบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดูแลแม่ไม่ดีพออาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับท่านในวาระสุดท้ายในนาทีสุดท้ายนะ ต้องเคลียร์ตรงนี้นะซึ่งไอรายการต่อยนี้ไปเนี่ยนะมันจะช่วยได้นะแล้วก็รวมทั้งการบำบันทำความดีให้เขาที่ได้เขาคือถ้าเราช่วยเขาไปดีเนี่ยนะความเศร้าโศก ค, ความอะไรมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราได้มอบสิ่งดีที่สุดให้กับเขามันจะมีแต่วความคิดถึงความความอาลัยแต่ว่ามันก็จะ เยียวยาไปตามกาลวเวลาคืหลายคนเป็นแบบนี้เยอะมากดูแลแม่มาตลอดแต่ช่วงเวลาช่วงมีกฤตไม่ได้อยู่มพอดีค่ะหลายคนจะรู้สึกแย่มากเพราะว่ามันช่วงนาทีที่จะส่งแม่ไม่ได้ส่ ง, น, าาาง น, นะคะแล้ก็มาพังที่เด็กนะคะอาตมาพวกพ่ามีคนทย ห, หลายคนนะเขาเลือกที่จะไปตอนที่ใครบางคนไม่อยู่เป็นความตั้งใจนะ มันเป็นมันมีเคสแบบนี้เยอะมา ก, ากทุกครงทา่มาช่วยว่าคนไข้ก็ตั้งเขาตั้งใจที่จะไปตอนที่ลูกไม่อยู่แค่ลูกไปห้องน้ําเนี่ยนะไปแล้วสามีไปทุรข้างนอกเนี่ยไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไประเดี๋ยวเดียวไปแล้วใช่ไหมมีเพื่อนามาคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นมะเร็งปอดแล้วแกมาใช้และสุดท้ายในยสองเดือนที่วัดแล้วแกนี่นะใช้ดออกซิเจนไม่มียาระงับปวด ไม่มีพยาบาลมาดูแลมีแต่น้องสาวดูแลยี่บสี่ชั่วโมงน้องสาวดีมากแกมาขอตายที่ว่าจะได้ฟังธรรมะฟังพระสวดมนต์เพราะแกเคยมาปฏิบัติที่นั่นตั้งแต่เมื่อส0มสิบปีที่แล้วตอนที่อาตมาเพิ่งบวชใหม่ๆวันสุดท้ายเนี่ยนะตอนช้าแกบอกให้น้องสาวเนี่ยไปตัก อ, อาหารในโรงครัวไม่ต้องห่วงนะแกพอพูดไดนะ้แกก็บอกน้องสาวไปไปตัก อ, อาหาร ลองสาไปไม่ถึงยี่ิบนาทีกลับมาจะไปแล้วแต่แล้นวนวลหลับไปแล้วเชสต์นมนนี้เยอะมากนั่นคือเหมือนกับว่ามีเจตนาจะให้คนรักเนี่ยไม่อยู่แล้วจะตายตอนนั้นแหละแล้วเราต้องเข้าใจในวันเนี่ยบางทีนี่นี่เป็นความตั้งใจไม่ใช่เป็นความผิดภาดของเรามันเป็นความตั้งใจขงเขาที่เขาจะไปซึ่งเขามีเหตุผลนะ บางคนอยากจะตายคนเดียวอ่ะแยากจะตายแบบสงบอ่ะเขาก็พอลอพอลอว่าคนล่าไม่อยู่ก็ไปเลยแล้วเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าว่าเราว่าเราเป็นความผิดพลาดของเราไม่ใช่เราเป็นความตั้งใจของเขา เขาไม่สามารถก็ไม่สามารถจะกำหนดในความหมายที่แน่นอนตายตัวแต่เขารอว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เขาพร้อมจะไปจรงๆคนไข้เขารู้นะเขาจะไปวันไหนด้วยซ้ำ น, นะหมายถึงว่าเขาจะรู้ว่าวันนี้เขาเขาคงไม่ไหวแล้วนะมันเป็นเรื่องความอย่างที่ธรมาบอกนะคือมองบา ง, ง, งที่คนไข้เนี่ยเขาเขาสั่ความตายเพราะว่าเขารลือกคนคนที่เขารักเนี่ยยังไม่ยอม แต่พอคนไข้ไที่คนรักให้ไฟเขียวก็ไปเลยคือมันสบายใจเนี่ยพอสบายใจก็ไปใช่ไหมถามเจ้าจ้าค่ะคือหนูดูแนไข้ย้ายทามา ก, ก็อสองคน อ, อันนดูอลทังคนไข้ผู้ใหญ่ก็ว่ายากนะเด็ก ยิยากไปอีกอย่ยากเด็ก็คือหนบอกองสองแล้วราเป็นปาลิซูค่ะคือด้วยความที่ท่านปฏิบัติมาเยอะกว่าเรา <c oughs> สิ่งที่เราจะไปดูแลเนี่ยหนูว่าหนูจะยิะ่งลำบากใจว่าจะไปไปไปให้ธรรมะ <c oughs> ไป น, น, าานาําสนธนามยังไงไปนําท่านยังไงอะคะ่ะคื้ท่านปฏิบัติปฏิบัติ ปฏิบัติมาม่าเนี่ยเราดูแลทางกายพอแล้วหลวงพอง่ออัตมาเนี่ยนะลูกสิษสบายใจมากเลยเพราะว่าดูแลแค่กายใจไม่ต้องดูแลงั้น <c oughs> ถ้ากรณีว่าคนพิศูดที่เขาปฏิบัติมาม่าเนี่ยคุณไม่ห่วงดูแลแค่กายพอไอที่เป็นปัญหาคือว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะงั้นก็ก็ลยมีปัญหาใช่ไหมก็คือว่ากายก็แย่ใจก็ไม่พร้อมอ่ ตรงเนี้ยออาอตมาว่าก็ก็พงพยายามเป็นเพื่อนท่านนะเป็นเพื่อนในความหมายที่ว่าก็เข้าใจความเข้าใจความทุกข์ของท่านนะแล้วก็ให้ท่านได้พูดได้ได้ได้ได้ได้ระบายบ้างนะแล้วก็พยายามช่วยอย่างที่อาตมาบอกเรื่องถึงข้าราชทุกสิ่งจะช่วยแนะนำบ้าง ทำผ่าตัดจับประสบกา ร, ร, ร, รดูแลคนไข้ม่หลายคนครัมันจะมีช่วงหนึ่งภาวะก่อนที่ไข้จะเสียน่าจะวันหรือสวันก่อนคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นอาการต่างก็ดีขึ้นสัญญาณชีพอะไรก็จดีขึ้นคนงานจะรู้สึกว่าไอ้คนไข้น่านจะหายได้ดีขึ้นนะอันนี้เกิดจากอะไรครับเคื่อเรียกว่าเป็นก๊อกสุดท้ายเะผมเมื่อกว่า แต่จะมาคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นเพราะว่าสารขีโทนมันหลั่งออกมาทําให้ความปวดหายไปนะแล้วก็ทําให้สุขสบายมากขึ้นตอนนี้เขาวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเขาทดลองกับหนูเนี่ยเขาเอ า, อ, าอิเล็กตรอนเนี่ยใส่เข้าไปในสมองเนี่ยเขาพบว่าเวลาใกล้หนูใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่สมองมากเลยมันจะมีการสัญญาณที่สมองมากเลยรวมทั้งไอตัวโดความีนเซโรโทนินก็โผล่มาเยอะเหมือนกัน คือพวกนั้นทำให้อักทีบขึ้นมาอยู่ช่วช่วงระยะนี้อาตมาค่ดว่าคนใกล้าตายก็คงแบบนั้นแต่เขายังไม่สามารถที่จะทงานคนใกล้าตายเพราะมันต้องเอายาถั่วใส่เข้าไปใช่ไหมงั้นเนี่ยพวกเราถือว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าอาตมาคิดว่าไอ้กลไกที่เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยนะมันจะไม่ทํางานละคือระบบมันจะชัดดาวทุกอย่างจนกระทั่งระบบที่เกี่ยวกับเรื่องความรับรู้ความเจ็บปวด พระระบบเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อให้เราอยู่รอดความเจ็บปวดมีขึ้นเพื่อให้เราอยู่รอดนี้จากอันตรายแต่ถ้าร่างกายมันรู้ว่าตายแน่เนี่ยไอ้ระบบประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวดมันจะไม่ทํางานพอไม่ทํางานเนี่ยคนนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นใช่ไหมรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นอาจจะเป็นพอดูพามีนออกมาด้วยแต่มันเป็นสัญญาณว่ากําลังจะตาย แล้นอย่าไปอย่าอย่าไปหลงกลนะอย่าไปคิดว่าปาฏิหาริมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์บอกลาขอขามาบอกความในใจนะให้ได้และถึงเวลาไปเข้าไปเราได้สบายใจนะค่ะ า, ามาาน้นองสแกนพัชรนะคะโยงสงสัยว่า หลายๆครอบครัวค่ะในสังคมชนบทส่วนใหญ่เขาก็มักจะมาบอกหมอว่าอย่าบอกว่าคนไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วถามว่าตามสิทธิของคนไข้ก็ควรจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็เหมือนจะได้ไปตามเก็บสิ่งที่ยังอยากจะทำํำยังที่ยังไม่ได้ทำอะคะ่ะแต่ว่าพอเหมือนให้ข้อมูลกับครอบครัวไปแบบเงี้ยค่ะเขาก็ยืนยันว่าไม่อยากให้บอกคนไข้เพราะว่ากลัวคนไข้จะซุบ ซึ่งมันก็มีจริงๆนะคะคนที่เหมือนแบบพอรู้แล้วก็ไม่มีกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะอืมก็เลยคิดว่าการที่ก็เลยทําให้หลายๆคนตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรหนูก็ไม่แน่ใจว่าเข า, เายังมีสิ่งที่ยังค้างในใจหรือเปล่าแล้วการที่เขาตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่ค ข, ขาขดขางใจเขาูหรือเปล่าให้เด็กๆจมีนวนะทางกั น, กนจัด ก, การยังไงค่ะความขัดขางใจเกิดขึ้นเมื่อเขา รู้สึกว่ายังมีภารกิจที่ยังสะสางไม่เสร็จซึ่งปกติคนเราเนี่ยถ้าหาว่าเขารู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ mm. เขาก็จะหาทางสะสางภารกิจที่ค้างค้างใช่ไหมรวมทั้งเตรียมตัวเตรียมใจรวมทั้งการทําพินัยกรรมรวมงการสั่งเสียพวกนี้เป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เขาไปดีพรที่การบอกความจริงเนี่ยนะมันช่วยทําให้เขารู้ว่าเขามีเวลาแค่ไหนแล้วเขาควรจะทําอะไรก่อนหลัง เขาคนจะเที่ยเขายควรจะทางานต่อไปไหมหรือเขาควรจะให้เวลากับครอบครัวแต่คนนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยถ้าเขารู้ความจริงเขาอาจะซุดก็ได้เพราะฉะนั้นสมาชิกต้องประเมินแล้วก็ชั่งน้าหนักดูว่าการบอกความจริงเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรใช่ไหมถ้าข้อเสียมากกว่าข้อดีก็อย่าบอกแต่ถ้าข้อดีมากกว่าข้อเสียก็ควรบอกอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงต้องประเมินฮะแล้วต้องค่อยค่อยหย่อนค่อยค่อยยั่งนะ ไม่มีสูตรสำเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าคงจะพูดตรงนี้ทีเดียวไม่ได้ก็พูดสั้นๆตรงนี้แค่นี้ก่อนมีคำถามเพิ่เติมไหมคะเจ้ากรร น, นสุดท้ายนะนะรัตศักครับก็อยากสอบถามเกี่ยวกับว่าบางทีคนป่วยเขาอาจยังมีอีกโก้อยู่ บันทีเราจะไปคุยไปแทรกแบบไปเจอบจงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวันต้องใช้คํำพูดหรืออะไรให้เหมือนเป็นมิตรกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังผมรู้สึกว่ายังคําพูดว่าที่คนเรามีเท่ากันคือเวลาและยังไงที่แน่ๆคือสัจธรรมคือเราตายทุกคนอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าถ้าเราจะไปคุยอะไรกับใครเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบเขายอมรับเราะครับ เริ่มเจอคนที่อีกโก้เยอะๆจะไปสอนเขาอะไรถึงใกล้จะตายแล้วก็ไปสอนอะไรเขาไม่ได้มันไม่ใช่คนที่มีอีกโก้คนทั่วไปก็สิ่งที่คนแค่ต้องการในสุดท้ายก็ไม่ต้องการคนแนะนําสั่งสอนเขาต้องการเพื่อนหน้าที่ของเพื่อนคืออะไรเข้าใจเขาเข้าใจความอ่อนแอของเขาถ้าเราตั้งใจตั้งคิดว่าจะไปสอนเขาเนี่ยผิดแล้ว ไม่ว่าคนนั้ น, จ ะ, นจะมีอีโก้หรือไม่เนี่ยเนะพราะเขาไม่ต้องการก็จะมีการสอบถามสิ่งที่คนแค่ดนสุดท้ายไม่ชอบ5้าประการข้อแรกคือคปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเพราะเขารู้ว่ที่โกหกนะข้อสองคำแนะนำสังสองนแั้นเราคิดนะั้ต้องตั้งจิ ต, ตเลยนะว่าถ้าเราไปไปคิดจะไปสองเนี่ยเราผิดแล้ว เขาไม่ต้องการคนแนะนำเขาต้องการเพื่อนให้กาลังคนที่เข้าใจเขาเราเป็นเพื่อนเขาฟังเขาสิอย่าไปพูดมากใช่เพราะคนใข้เนี่ยอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมีแต่คนพูดได้เขาฟังและมีคนแต่มีแต่คนสั่งให้โอกาสคนไข้เขาได้พูดบ้างหรือว่าเรามีโอกาสถามเขาบ้าง มีจิตาสาสองคนจะยมาอบรมพระเจ้ามมตาสงบเนี่ยตอนเช้าตอนบ่ายก็ไปเยี่ยมพอแนะนําตัวคนไข้เสร็จคนไข้คนนี้เนี่ยแกเป็นแกมีปัญหาแกมีความปวดต้างที่ทีวารลูกชายก็นั่งอยู่งข้างแกก็ร้องครางจิตสาสาไปถึงถามคุณลุงคะที่คุณลุงว่าปวดที่ปวดยังไงคะโอ๊ยลุงแกชอบมากเลยแกบอกว่าไม่เคยมีใครถามแกแบบนี้เลยลูกก็บอกว่าให้เข้มแข็งโรงพยาบาลก็ให้แต่ยาหมอก็ให้แต่ยา ไม่เคยมีคนถามเลยแกวดอย่างไรรู้สึกอย่างไรถามเขาเลยฮะฟังเขาฟังให้มากนะแล้วถ้าจะพูดเนี่ยนะมันมีผู้ผู้ปวดมแมลงคนนก็บอกว่าสิ่งที่แกไม่ชอบมีคําว่าสู้แล้วถ้าคุณจะให้กำลังใจก็นะพูดคําว่ารักคําว่ารักเนี่ยมันมันมีมันมีความหมายกับคนไข้ไม่กับคำว่าสู้เข้แข็งนะ ความตายมันเป็นธรรมดาชีวิตนะอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะอาตามาว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยเอาไปสอนตัวเองอย่าไปบอกคนไข้นะเอาแค่นี้ก่อนเจียตามาวิตุระ